พระประก็ลหลวงพ่อที ờ, ่าลบยัต์ตรงว่าไหนได้ว่าอ๋อเป็นลูกสจงพ่อมาตันานแล้วยังไม่ยอดเลยไม่อะไรเลยวันนี้ก็ขอรบวรนิดนิกน้อยเนาจไม่ขอรบวรขอปรึานิดหน่อยใช่ใช่ใช่ขอปษาหลวงพ่อ่อยว่า พระอาทิตย์กโยี่ยอารมณเท่ามาใจใจของโลกโอ้โลกโลกเหมือนกันว่าอารุยังต้องดีคืออะไรจับเม็จยาดอกนะฮะไม่ผิดนะใช้ก็โดนเอาแล้วเลยยัดยอดแม่เลยอืออ่าอย่างนี้เ็ดีเขาต้องจัดอ่าคนที่เปิดเผยความจริงก็เป็นคนดีถ้าไม่ดีเขาไม่เปิดเผยความจริง ภาว่าจ้าคนที่ราตั้งเป็นรับแ่แข่ตอนนี้เปนใหม่นะเขาว่าเขาเรีว่าถ้าสงสิสเป็นอย่นี้ต่ี๋ก้าวลูกพ่อจะก็อเงินสงสามีทำมาแอบทำทำไม่ได้ทำไม่ทำารรมดาแอบทามาทำเงินกับลูกพ่อทำมาบ้างทำไว้บางอย่างนี้เนต้นก็จะเรียนามลูกพ่อวันหนึ่งในตอนโรคจะขาดไหมหรอ ลกจะมีโอกาสไปสวรรค์ข like so ึ no s <S ้นทะกขึ้นหรือเปล่าก็คุณก็ได้ขโมยก็มีเห็นว่าไม่ใช่นั่นไงไปใข่เลยครับเขาไเขาไปสวรรค์ด้วยแล้วจะได้บริวารด้วยไได้สามีมบริวารก็อะไรรึมั้ยเพราะว่าสาังของสามีจะรยามาสมุนสามีมีส่วนได้ต้องไปดูบริวารคืต้องไปเ็นสามีใหม่ ไปที่ไปไหนอ้ารย์เขาไปเาจะหนเงินเ้าได้นะไม่ผิดไม่ผิดสมีปัญญาซัดคนเดียวกันใช่ไหมไม่ขาดไม่ขาดผมยาก็ต่อไปถ้าใครมาพูดเรื่งเที่ยวต้องไปไขายดีแนเี่ยวเลยผม ตาข้าลวก็พิโรจน์ัาโสูงแต่เด็บัวเล็ันนี่มนจะห้องคุณวะตาคุนแก่เด็กตัวเล็กไม่ก็แย่เลยลูกได้นั่งมักนอนมักยิ้มเลกไสานที่แห่งเลยมีความสว่างสวยมีวิมานตากดเป็นอย่างมากเสียอย่างเดียวไป่มีต่อไม้แต่มีวาม ถ้ามีความรู้สึกว่าใกล้ๆเรากว่าจะมีใครแฝงประสาตต้นไม้ของลูกไปก็หมดลูกอยากจะเรียนถามว่ามิมานของลูกในลักษณะต้นไม้เนี่ยเขาเรียกว่าอะรนะล่ะหลวงปู่เตกหรือไม่อะไรนะหวงพันธ์จะไปเรียนถามวงปู่เตกหลวงปู่ต็กคนใจฮ่าฮ่าฮ่าตอวนี้ถ้เราอยากจะดีก็ดีนะ แล้วก็ถ้าจะให้บริเวณที่มาของโลกมีต้นไม้เยอะเรียนศึกษาหลวงพ่อว่าลูกควรจะทำบุญแบบไหนต้ น, ตนไม้ถูกที่ว่าแค่สุงรานการที่ว่าการมีกต้นไม้กันจะจดีาากาลังปลูกอยู่ปูแล้วมันตายไปเั่แล้วยอยไอ้ตอนันนั่นอะไรกระโดูอินเดียกรดูอินเดียม<ไ>ันตายไปโอ้โหเน แต่ใกรณีลูกหลานจะเอาต้นไม้จปลยเพราะต้นไม้ก็แค่หายที่จะูกพญาไทที่ที่คุ้มดีต้อง<อ>การร่มนะร<อ>่ม ต, ตุเรียนยังไงไม่ไม่ไม่ไม่แวเรียนแม่ต้องปลูกเปนไม่กินอยู่แล้ววามีแล้วก็จเป็นจะไู้นเน่อยทำไมูได้ีไปัรถเลยอย่างพญาจีรีส่วนรถพิธยาเขา ก um? um ็เอาว่าสม้จะออกลูกออกใบนันแนี้ป่ใช่่ก็ไปทาว่าเอาต้นไม้ไปถวายวธาตุแล้วก็อะไรมาวัไก็ได้ไหมได้วิธวัดไหนก็ได้โอ้ยโอ้ยยัจัดยก็าไม่ดวัาุไปได้แล้วก็ไปถวายวัดการพารัดอยากตรงไม่ใช่แค่นเจพราน่ยไม่ให้ทังเลยไม้าเลย ก็ยังม uh, ีใครทอดนิ so like, have to have to à, ้วเทียนแง่ดีหน้าเขาสามารถนะเจ้กลาวของคนมาใหม่เรีกว่าจ้าลาวนะดูทรงข้าตัวสูงวัดมหาสมุทรลงนตัวอง์นะ่าวต่อไปพกลราชาหลวงพ่อจะรับจัโหลพระสาวสองลูกคนอายุจะเป็นหัวดูจังหวัดน้อแก่ สามารถนั่มโนมยิทธไปคุยกล้วนั่ปู่ว่าอินทัญญาว่าอิ่และลงปู่ฟังได้จะเด็ถามว่าาสามารถไปนั่งคุยปู่ขัางคุยแต่ท่านได้ให่จะเรียกว่าได้แย่หรือว่าได้แค่มโนมยิทธิของสายจุก็ขอถามคําว่าก็เป็นมโนยิทธินั่นแหละอันนี้ก็เด็กครับอยางแต่ก็มโนยิทธิ อันเดียวกันใช้ได้เก่ง น, น, นะแมเออว่างๆไปถามเลยนะมาใช้เขาสั่งเาขอหวยกั น, น, นใช่ร ะ, ะวังไม่พยาด่ากเลน ะ, อะขอปากไ่าฝาดายนะไม่จัดก่ไม่กแนั่นเ้ากูที่แ้ยเขาเก่งเด็ดไม่วอนน้อย เด็กมีกลังโน่นมีความมรรคสูงมากเอาเสียค่าเด็กก็ลต้องไหวเด็กย้าหกใช่แผลยังต้อต้าได้แลไปก็มาโดัให้เด็กถาม้อตอบ๋วแ๋วแวเลยขอไหวเด็กยุ้าชุดใช้ชุเม่อใช้ไม่เด็กรำวาะคนหัวนี่ ข a าข้าลูกสาวเจ้าเด็กขึ้นแล้วขึ้นเลยเยข้าขึ้นเดียวเาเด็กแล้วปนเด็กที่ราองรับการละใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใชใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใชกตช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ช่ใช่ใช่ใช่ใช่่ใช่ใใช่่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช คุณผู้ชมที่คะขรวจขอที่เ้าท้องใหก่หงพ่อขอหล่มโมตนาอยู่คุณผู้ชม้วยเออนียเราื้อจะเก่งนะโมนาเออนาด้วยนมือไหวเลยเอา่องแค่นี้อ้าวได้เาได้เลยแ่คจะเหล่าเป็ยังไงตัวนิ่โง่น่โไม่มีโอกาส เสด็จแล้วลงไปก็ะตักใสข้ากลาข้าหลวงพ่อจะล็กาโศชือว่าที่ต่อไปของลกแงะปัาการถือกติแต่ว่าผีเข้าเจ้าชองก็ไม่เจแต่แกพูดแล้วแค่ว่าอย่างนี้เพราที่บ้านเราเนี่ยไม่มีรู้ว่าผีนอกบ้านมาเข้ามาทาให้เลิดป้อนได้สมบ เพราะฉะนั้นเองแจะต้องทารั้วการทำรั้วนี้พ่ต้องไถามลวงพ่อวัาุภมว่าทารั้วแบบไหนผีตายก็คืนเท่าไปไม่ได้ขอให้หลวงพ่อเมตตาแนะนำบัตรพระเกิศรัทธาไม่ยากชื่อว่าที่นี่เลยขอเดียวก็พอนะทรายเวลาที่จะไหวในแขนว่าถ้าผีก็ดีเทวดาก็ดีสัตว์ไรก็ดีคนไรก็ดี เข้ามาได้ห้ามเข้ามาถ้าผีเทวดาหรือคนที่ให้ความสุขเข้ามาได้แต่นี่สัร้ายอย่างร้าไปตายเลยเป็นหลายบานเลยนะเออทีนี้เขาพูดขายเรืองว่าไ้เอาเสือไปข้าตายตัวนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพ้าใชไม่ถือพ่อใชไม่ถือเขาถือไม่ถือแต่ใเวลาหวานต้องว่านมนทยะไงบ้า ถ้าหวาข้างในออกข้างนอกจะลักข้างนอกข้างในอย่าหวานรอบบ้านจะหวนรอบบ้านถิ Mercy. ่ออกไ่ได้ต้องระวังหร่ตั Hero ้งแต่ถ <t> ้างในไปนะตายกันตายนะตายญี่ปุ่แล้วก็มันมีสามแกลาคาร์ตายญี่ปุ่นตายอกฤษรมัน ถ้าใส่เงินไยประมาณเม็บาทอ๋อแล้วญี่ปุ่นละญี่ปุ่นูงละสบาทอ๋อาตาตาลขยเลยเลยแต่บ้านาวบ้านให่ก็แล้วแต่นะแต่ไม่เหมกันเหมกันเท่าไห่ไม่เน่แล้วลยตายด้วยไนายที่ถ้าได้ดเนรูปที่บ้าาปัญญานเขาเป็นของโรงงาน้าเาก็ไปใส่เลย อ้าวจุดยอดไ่ทีาเพิมีสถานนะต่ที่เขาเพิ่มมีแต่ก็บวกค่าก็รลดตรงแน่นอนด้วยนะแล้วยไปไปว่าตก็มีนะครับเาว่าต่อไปอ้ยอะไรเนี่ยเนีือกรมหารามาแล้วอ๋อาเท้าเราก็ที่เขาลดาสูง เพราะวันี้ึือามพัมลานคพุทธราลาองันหกรอยัเ้งใช่ใช่ตอนนั้นคือไปหาหลวงพ่อที่วัพระูมเเข้าไปในอซีเอรอนโอ้ากัใส่กอดมา่วยนะไปหาหลวงพ่อที่ว่าพระูมแหคนเนทศัลามากมายเลยหลวงพ่อวัดวัดมือเรียกกูให้เข้าไปหาแล้วหลวงพ่อก็ให้อะไร พระเทองพระองค์และต่อมาก้ัทองเลยใ่ใชแล้วตักซีเซียนทองโอ้พนองค์เสแล้วก็กินโหรอสูขึ้นมาอมันได้สบูย ให้เราเขาะงมพมแล้วเาไปหลายท่านก็จะไรกองเลยอาจารย์ที่จะให้ก็จะต่างรีดอเลยอาที่ส่เอาไว้วาานะเพราะตืนขึ้นมาจะได้มีความรู้สึกว่าพระเียกทอที่หลวงพ่อมานี้จะต้องเป็นกรรมฐานปลอดภัยบนสนแรเนียถามหลวงพ่อว่าหมายถึงกรรมฐานและธรรมะปฏิบัติอเป็นพุทธานุสติเรียกหลรนอะใช่ พระองค์เล็กการพุทธลูกเหกันลูกของพระเจ้าสมาให้เจริญพุทธาตเป็นประจำต่อไปเน่อเป็นทองราให้ดีนะในใบโพจะเฉือเาสิอว่าน้เลยใช่ทวันวันที่แแล้วก็เสายหักศพแต่ไอ้พวกเราที่แดดง่ายๆไม่เอาอไปบท้ายครับ ไครจะไปจะอาจจะตายเวลาที่เกิดก็เลยปูก็เลยนะเอาเอาไปว่าถ้าหลวก็่อจะไปรบอย่างโง่ลูปใกล้จะเลยก็มมาผานมาเป็นเวลาพระนานแล้วมีวันใสลจเกิดก็ทรงคิดว่าขอจิตของลูกใกล้ๆจะเป็นสมาธิจะมีถึงประหลาดประหลาดทาให้รูกตกใจอยู่เสมอ จนทำให้การกระทกรรมฐานของลูกเป็นก้าวหน้าสัดสวนอยากศึกษาเลยลูกก็ว่าวิธีที่จะแก้ปัญหาแบบนี้ควรจะแนะนาให้ลูกปฏิบัติอย่างไรจ๊ะพ่อท่านสุขธรรมดานะเป็นตัวที่ธรรมดาใช่ใช่ใช่จอดีตเสียชุ่มปังปุ่มปังใช่ครยิงปืนก็ก่เี้ยมีการปักปักจักจักเป็นพระธรมดานาลองพลองตอนนั้นจิตอูปัญสมาธิ ลองดูว <r> ่าเราจะตกใจไหมส่วนใหญ่จะเดียวดาก็จะตุมหาราชใช่ใช่ใช่ใช่เขาไปการนะใครที่สุนไปเจอบานนี้นะอนไรายนี้ผมบ่าหนาหลวงพ่อที่เรบจากสงฆ์เดือนนี้จะมีโอกาสของสุนมายมทีสองวันคุณาวแน แต่ที่แปลกใจก็คือว่าทั้งสองวันนี้ลูกร้องไห่โฮทั้งสองวันไม่ได้เสียใจอะไรนะครับแต่พอวนเข้าได้ที่นานจะต้องร้องอย่างนี้ทีก็กลับไปบ้านแล้วไปปฏิบัติมาก็ร้องโหยอีกพ่อแม่ก็เลยบอกว่าลูกเอ้ยจะต้องไปโรงพยาบาลอยู่แล้วตอนเองไม่ไปตอนเด็กเรไม่เคยร้องอย่างนี้ลูกก็มารู้จะแก้ยังไง ขอขาบเพลงขึ้นมารีดหลวงพ่อว่าขอหลวงพ่อช่วยหลวงอยายร้องให้ด้วยเเจ้า่าทีหลังเขาจะร้องให้ไงร้องเพลงแทนไม่สด้แทนเขาใช่ไอนี่เป็นปีตีตัวที่สองน้ำตาไหลบางคนก็ไม่ไหลเฉยปล่ลอยเสียงมันด้วยถ้าพิถสพิธีสูงกว่านั้นมันมเลย ่ไม่ใช่รอมดีจนเข้าถึงดีบูชาและสมาธิทั้งปีจิงเลยนะถ้าไปขั้นดีสองด้วยไม่ใช่ขั้นหนึ่งเดกยอเคต้องขยับขึ้นถึอีกใช่ใช่ถ้าปล่อยไปตามนั่นไปเองน่ออันนี้ก็ไมมีปัญหาเราร้องต่อไปเป็นปีจริงไลย ขับมั่อหน้าผมยาวเปนแยกรรมเลยผมค่าพอีข้อนี้ผมยอดเลยนะคืออย่างนี้ขอรับผมก็ยเลยนะคุอของผมเป็นกรณีผูเสียเมรุาชการอายุมากแล้วตาให้จะกับบ้านนี้บ้านแหล่พ่อแกตลาดที่ทำพินายกรมพอผมให้แกโรงพยาบาลสินาฏพทีี้ปัญหาก็คือว่า เพื่อตายแล้วข้าพจ้าทาอย่างนั้นใ้ได้เพราะพวกลูกทุกคนท่านก็เป็นใหญ่เป็นองมีเงินมีทอมากอยากจะข่าเป็นเกียรพิสมมว่าแกตายไปแล้วเราไม่เอาไปให้โรงพยาบาลจัดการเขาดวเองอยากนี้ปุถุยญาตของพ่อจะโูกไหมและจะมาเล่งานได้ไหมขอให้หลวงพ่อช่วย่อเป็นการคน้เรท่านจะเสียก็ต้องใจก็ได้นะก็การให้เราย่นานไปเป็นุหมาบุญสนเนี่ย ตายแล้วาสดกที่วาให้สนสนเให้เป็นปรกนนะอ่าประยชน์นใหญ่ตั้งใจไว้ก่อนตายอาิ่องี้อาจาย์ติการอาจารติกาในอาจายานอะาจารย์ติการนะอ่านภายในจะดีสงมากเขาบอกว่าไม่ไปเรียนเรียนยังไรเลยใช่ใช่ใช่ เอางี่สิปันหุ่นท่านฮะันหุ่นเอาก็ดาษทับหุ่นได้เหมือนพ่อเออาเขาเขาจริงคืออาหุ่นใช่ไหมใช่พอจริงายีเท่าเฮ้ยไปทางออกที่ดีนะใชจ้ะเออรับแรงก็ไม่หนักเพิมนะใช่ไมนเม็นด้วยเอราาจะจบปลายแรกในรายการนี้นะเพ้แฟดสมตร่หมายอะไรไมายถ นี่ก็ได้เห็นใจนะระหว่างระหว่างนี้งเียนนะระหว่างอยาได้เออ่านนี้ก็บอกว่าวันนี้ว่าไหนนับนี่เออได้มีโอกาสไปเขาตกตรงน้ำบนกันทาซึงนใจรู้สึกของุงพ่อกระเด็นที่แสดงว่าตายแล้วเขาตอนตายหนึ่งนาทีผู้ตายได้เหของส้มเดือเดอสัมผัสทักิณาเห็นรักูปาน เห็นหลพ่อตาเห็นในลักษณะอย่างนี้แล้วก็ตายในขณะที่เห็นเอาเรียนถามหลวพ่อว่าแกจะไปที่ดีที่ชอบหรือเปล่าเจ้าคะไปที่ไม่ดีไม่ชอบผาตาเห็นพะพุทธเจ้าเห็นหลวงพ่อจะไปที่ไม่ดีไม่ชอบไอคนประเภทนี้ไม่เียผู้ที่เกิดอันนี้หลงพ่อมาแกล้งาเียใช่ไม่ได้แกล้งคุยตับความจริง ไม่คุณไม่ได้เหรอใช่เออเจ้ามันจะเกิดใหม่อ่ะง้คอย่างี้ไปรอลตกเปขึ้นไปถ้าตกรเป็นเกิดโอาก็เกิดไองก็เกิดเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้้เฮ้เฮ้เเฮ้เฮ้ โอย่ายิงตายแล้ว่เป็นตาย่าหมาหูเป็นชันพี่เทสถึงว่าไงกันล่ะต่างจังที่น่ากัในโลกนี้มีรถเดียวนะอาจจะรอนมาจะไปอินเดียแล้วนะแต่ก็รู้ว่าคนที่ขอขออย่างนี้ไม่มีไอ้ขอกับคนที่มันมีความโลภ ไปขอกับคนที่เป็นต้องการคำชมคนคำเลื่อนเส้นไม่ได้ประโยชน์ลาท้าหลวงพ่อเทคอรพลอย่างสูง้าลูกพ่อเป็นคนดีมาตลอดในฐานะเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อแต่ทุกวามนี้ท่านเปิดปัญหาไปแล้วดูอย่างนี้นะครับขอนข้าวโลกไดไป่าบาดเจ็นประจันละมาปิดสะบาย ลูกก็เอาของไปเพื่อจะใส่บาทท่านหมายอมปลดฝาลูกก็บอกว่าปลดฝานคะนัจะใส่ท้นบอกท่านจะมองมองค้ายๆกันผมลูกน้อยเกินไปนี่ไงก็ไม่ตส่เสร็จแล้วก็สะบัดตรงไปเลยตอีมจะมีโรมากะแบบนั้นอีกขอสามล้านต่อมาก็เจออย่างนั้นอีกยู โลกก็เลยมขอเรากูไม่ใแ่ละได้เอาแล้วแต่เรามา a m a ทกสาก็ไม่รู้เช่นกันพ่อดีกว่าเตอนนั้นโอมดัดจ้าข้าวก็ไปแล้วอยังไม่ใช่ drama เพื่อตามความเป็นจริงไอ้ drama ดูถูกดูหมิ่นก็ทำดีฮะทำชั่วสงสัยว่าทำกับข้าวยังไงนะสงสัยยังข้าจะมุดรึเปล่า <Same> โอกพ so ัวจะไปเจอพาะอรันต์มาแก้เยทมลี้ยงมามีสองป่าอ้ท่านมิจิตบอกโคลยมัจะบาทเไม่ื้อก่อนมีประเทหนึ่งที่ท่านเลยฉับเนื้สัตว์อาจจะเป็นง่ใยกระได้นะไม่สันเนื้อปลาแล้วก็ไม่รับรองไม่กับรองแก็ได้ใจนะผมก็ไม่เข้าสายตาให้เมก่อนะยังยั ไอ้คำว่ากูเลยมันไม่ได้ผิดกฎหมายนะภาษาไทยเก่าภาษาไทยนะพ่อขาอกใยาหอมลานี้เนี่ยันจะได้สบายใจนะอ้าวต่อไปนี่เขบอกว่าหลวงพ่อภาษาลูกเดี๋ยวนี้ก็ทารูปแบบไหมหรือว่าวัดไหนไม่มีโอ่งน้ำลูกก็มือโอบน้ามาไหวโดยเฉพาะอย่างที่งตะโกนป้อง้องแรงน้ำ บน่อให้แต่ว่าเป็นประจำแต่ที่ก็มีอีกครั้งหนึ่งได้ทำอะไรทำน้าท้ำเข้าน้ำต่อเข้าวันเพื่อต่อเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กางฝว่าลูกฝันว่าลูกไปที่วิมานตัวเองางฝน้ําท่วมงไปเลยูกมาหายใจไม่ออก็เลยมาปึกษาแลวงพ่ว่าที่ระหวางไปนั้นขอคได้ไหม ไม่มาแล้วหายใจไม่ออกนี่ปรเดียวขอคืนน้ําให้หอน้ำตายนะไอ้นั่นเนี่ยก็ทาให้ดูการให้น้ํานี่ยมันมากมายขนาดนี้แต่ความเมติสแต่เราไปจริงๆแล้วไม่เจนสองพอดีพอดีไม่มีน้ำหรอกภาพควเมติจริงๆแต่ก็พอดีหองแตพอดีหมดไอ้ที่ที่บ้านฉันด้วยกันถ้าเดินไปแล้วเข้าไม่ได้แต่ตอนในบ้านยันรั่วเข้าไม่ได้เลย เขาสร้างหลายชั้นเต็มหมดถ้าถามพระพุธทธเจ้าแล้วเธอผมจะอยู่ไงเนี่ยให้อราบอกแกเสียทำไม่มากเขาบอกว่าเอานี้ดิแกพอใจขนาดไหนนึกตา น, นั้นนึกตาความออใจมันหายหมดเดี๋ยวก็ดีกอดีถ้าเขาทำไม่ดูโอ๋โอนึกอะไรมาเออจ๊ะ เล่นงก็ได้ครับแล้วจะเรีนรู้งานใดก็ได้นะจะใ้ก็ถายสนักใก็ววก็มือไหว้ร่มือไหว้เกรงว่าในที่สุามนก็วีวัฒน์ไหมดจะไปว่ญญามตอนีกันนะใช่ใจดั่วนานได้ดมจรงก็ไม่ใช่อะไรหรือเปล่าถามก็ถามฝาใจไม่รตาตาว่าตาห เจตนาเลยเอ like ือไใสาทตอนเช้าก็พอดีกับลูกจะใส่ก <oun> ับพระจเปิด้าเอือดหลลูกกับพาะกนกันพระเอางัดโบนไปพระกุทาพระโบกใต้หน้าคุณดีรอ่หาคุณก็คุณไม่ได้ โอ้ i สายไอ้บทใหม่สจริงๆเลยนะแหมว่าไหนใหม่ยังไม่รู้อะไรมใหม่ออไอ้ี่บาทาเาร่ฟานด้วยงนเทสขเออทนกาไดกดาเหมือนกัน รับรับลูกร like so ับ่ออะไรตไปก็มา so, ียกาโดยสรุปว่าลูกจะต้องขอขมาลาโทษอย่างไรเพราะตั้งนั้นมาไม่เจอวันนี้เลยไม่จำเป็นนะไม่เหื่อยเยากขนาดใหญ่าาลงพช่วยลูกหายบาปจะทาบุญกับหลวงพ่ออะไรลูกดีๆจะฝากแสนเดียวหมอขอขอ อาภัจจิไม่มีอะไรโทษนะไม่มีโทษพระก็ไม่มีโทษเยาวเรืก็ไม่มีโทษอ๋อเขาตกลงตางค่าไม่มีโทษใช่คนต่างไม่ใจหาในการแต่ได้ร่ากฎหมายเอาเรื่องนะนะครับไม่รู้ตัวเองก็ไม่รู้ คิดว่าไปชนแล้วจะเป็นระบาดบาไม่เป็นหรอกมันต้องมีจิกําหน่อยู่ก่อนแล้วจับถ้อจับื่องจับแล้มีความไม่ใจขึ้นมีเป็นระบาดถ้าชนแล้วบางคนตารายงานัสองฝายไม่เป็นไรน่าโมจิ้งโอ้าคนจะไม่ไรเราจะขอไอ้พีมีนซิ่งนะปโนน้าอะในตลาเล่นะ ว่าแข่งกันจะเรียบต้องให้รถมันอดไฟอ่ะเอ็งู้ินักสาจะเรียนามันโตข้าว่าครม่คนมาตานอนละ้าโอ้โหไปตัวาก้ันห่้ายไม่สวเท่ากันเลย มีเมตตาบารมีโอ้ยที่เป็นเมตตาได้ถ่านอยู่ข้างล่างคุอยู่ข้านั้นเลยม่ช้ำมากไม่ค่อยูเหมือนช้ำมากเวลาด้เคราะได้รุ้มากขึ้นนะไอ้ี่มันแปลก็คือว่าไอ้รถของแถวแปลนี่จะนี่จริงหรืบเปาไปหรือมันมาจอดเลยให้ผมดูัไปเไป็ชนกันคุอขับอยู่รถแล้วชนกันเขา พอเออย่างนี้กราเกิดก็ได้ต้องเพราะว่าให้ให้นี้ต่างใหมี้โทษาะคับไม่มีไม่มีไมเพรว่าเพราะว่านั่นไม่มีโอเจตนาไม่มีนะครับกพอไี้ตัดเวลาก็มีด้วยกระจายละนั่นม่มีไม่ไม่ไ่ไม ศานาและผู้ปริกอบการออนไลน์โดยทน่วไาสนางค์ฐานจบโจรมโสานจบทานาาระบัตุขันตุขันมัสสะตต